วันนี้เป็นวันเสาร์ที่แปดกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นวันตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา คือเป็นวันมาคาบูชาวันมาคาบูชานี้มีเหตุการณ์ที่สำคัญที่มหัศจรรย์ที่นานๆจะเกิดขึ้นซักหนึ่งครั้งในสมัยพระพุทธการคือประมาณเก้าเดือน หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรและเจ็ดเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมอันประเสริฐที่ได้ทรงตัดสรตให้แก่สัตว์โลกพอมีผู้ได้ยินได้ฟังพระธรรมอันประเสริฐ แล้วนำเอาไปปฏิบัติตามก็ได้บรรลุเป็นพาาระอรหันตสาวกกันขึ้นมาตามลําดับพอได้บรรลุเป็นพาาระอรหันตสาวกก็ขออนุญาตอยู่ในบรวรของพระพุทธศาสนาขอบวชจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงประทาน การบวชให้ด้วยการกล่าวว่าเอหิพิกุความหมายคือจงมาเป็นพระภิกษุเถิดในระยะแรกๆของการก่อตั้งพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้บวชผู้ให้แก่ผู้ที่มีศรัทธาที่อยากจะบวชเป็นพระภิกษุ ของพระพุทธศาสนาหลังจากที่บวชแล้วและหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้ไปเผยแผ่ธรรมไปทิศ ต, ต่างๆเพื่อที่จะขยายพระธรรมอันประเสริฐให้แก่สัตว์โลกไปได้อย่างกว้างขวาง คือไม่ให้ไปทิศทางเดียวกันให้แยกกันไปคนละทิศคนละทางและคนละคนทิศละคนทางละคนไม่ให้ไปด้วยกันเพราะต้องการที่จะกระจายพระสัมผพระธรรมคําสอนอันประเสริฐให้แก่สัตว์โลกผู้ยังติด ค้องอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัติพอได้ไปเผยแผ่ทมผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันตสาวกขึ้นมาก็มีจำนวนมากพอถึงวันเพ็ญเดือนสามคือวันมาคะ บูชานี้ก็ปรากฏมีพระอรหันตสาวกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปที่อยู่ทิศต่างๆได้มีความปรารถนาที่จะมากราบพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันมาด้วยจิตนอบน้มสำนึกในพระคุณอันประเสริฐ ของพระพุทธเจ้าที่มีต่อภาษาวกทั้งหลายจึงได้เดินทางจากทิศ ต, ต่างๆโดยไม่ได้นัดหมายกันมาเฝ้ามากราบพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสามคือวันนี้ความมาสจจรันของวันนี้ก็คือนานๆในรอบหลายแสนล้านปี จะมีพระอาหารหันตสาวกจานวนมากถึงหนึ่ันรบรูปมาประชุมพร้อมๆกันเพราะว่าการที่จะมีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ได้จำเป็นจะต้องมีการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าก่อนจำเป็นจะต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้ พระธรรมอันประเสริฐที่จะนำพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งนานๆหลายแสนล้านปีถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วพอมีพระพุทธเจ้าแล้วพอได้แสดงธรรมอันประเสริฐให้กับผู้ที่ปรารถนา การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็นำเอาไปปฏิบัติพอได้ปฏิบัติแล้วพ้นก็คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกก็ปรากฏขึ้นมามีจำนวนมากขึ้นตามลำดับ จนถึงประมาณ 1,250 รูปด้วยกันในระยะเวลาเจ็ดเดือนของการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตาสาวกทำให้มีพระอาหารหันต์อย่างน้อย 1,250 รูปมาประชุมร่วมกันมีพระอาหารหันต ปรากฏขึ้นมาในโลกซึ่งก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรูนั้นไม่มีพระอาหารหันต์ตัศวกแม้แต่รูปเดียวในระยะเวลาหลายแสนล้านปีด้วยกันคือนับตั้งแต่าศาสนาพุทธในอดีตก่อนที่จะถึงาศาสนาพุทธของพวกเหล่านี้ก็มีาศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้า ต่างๆและระยะเวลาระหว่างพุทธศาสนาแต่ละศาสนานี้ท่านว่าห่างระยะเวลาห่างกันเป็นหลายกับหลายกันโดยกันคำว่ากับว่ากันถ้าเราเปรียบเทียบกับการนับเดือนปีของพวกเราในยุคปัจจุบันเราก็า จ, จะว่าหลายแสนล้านปี หลายแสนล้านปีช่วงระยะนั้นช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลาหลายแสนล้านปีด้วยกันที่โลกไม่มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระอาหารหันตสาวกเลยแต่พอพระพุทธเจ้าได้ทรงมาตัสรุในวันเพ็ญเดือนหกและได้ทรงประกาศธรทมคําสอนในวันเพ็ญเดือนแปด ก็ปรากฏมีพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลยนี่คือความมหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่สามารถที่จะช่วยให้สัตว์โลกที่ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ แล้วก็มีผู้ที่ศึกษาและบรรลุ ธ, ธรรมได้เป็นพระอาหารหันต์กันมีจำนวนถึง1250รูปเพียงระยะเวลาเจเดือนแรกของการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและก็เป็นปรากฏการเพียงครั้งเดียว ที่มีพาาาระอรหันต์จำนวนมากขนาดนี้มาประชุมร่วมกันแล้วก็ยังไม่มีอีกนับมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่มีพาาาระอรหันตสาวกที่มีจํานวนมากถึงขนาดนี้ที่จะมารวมกันมีครั้งหนึ่งก็ประมาณห้าร้อยรูปครั้งที่มีการสังขยานา พระรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกนั่นก็คือสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธ์ะประินิพานไปแล้วก็มีการเรียกประชุมของพระอรันตสาวกทั้งหลายก็มีการมาร่วมประมาณ500รรูปด้วยกัน นี่เป็นการรวมตัวครั้งที่สองของพระอรหันตสาวกแต่ก็ไม่มากเท่ากับวันมาคบบูชานี่วันมาคบบูชาจึงถือว่าเป็นวันที่มหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาเป็นวันที่ประกาศลิทธานุภาพของพระพุทธศาสนาว่าสามารถที่จะนำพาผู้ศึกษา ผู้ปฏิบัติให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้ได้เข้าถึงพระนิพพานที่ประเสริฐที่มีความสุขที่ถาวร ค, ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่พวกเราทุกคนแสวงหากันอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกๆวันนี้พวกเราไม่ได้หาอะไรกัน เราหาความสุขกันแต่ความสุขที่พวกเราหากันมันเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วไม่นานมันก็จางหายไปแล้วก็ทาให้พวกเราต้องคอยหากันอยู่เรื่อยๆหากันมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้ความสุขที่พวกเราหากันเราก็ยังไม่สามารถ เก็บรักษาไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเพราะความสุขที่พวกเราหากันในโลกนี้เป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองเรียกว่าอันนี้จังไม่เที่ยงไม่ถาวรได้มาแล้วก็ต้องมีวันหมดไปต่อให้เราหาอีกกี่ปีก็ตามหามาได้อีกมากน้อยก็ตาม ความสุขที่พวกเราหากันนี้จะไม่เป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากไปจากไปแล้วก็ต้องหามาเพิ่มใหม่หามาเกือบทุกวันความสุขที่เราได้เมื่อวานนี้หายไปไหนแล้วมันหมดไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้ว มันไม่มีอะไรตกค้างอยู่ในใจของเราเลยเราต้องคอยหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะต้องหาอย่างนี้ไปจนวันตายและหลังจากตายไปแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาหามันอีกเพราะใจของเรานี้ยังหิวโหวยกับความสุขอยู่นั่นเองเพียงแต่ว่าความสุขที่พวกเราหากัน มันเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรที่ไม่อยู่กับใจเราไปได้ตลอดนั่นเองนานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่ได้มาทรงค้นพบความสุขแบบจีรังถาวรคือความสุขของพระนิพพานนี่ที่จะอยู่กับจิตใจของเราไปตลอด จะให้ความสุขกับเราไปตลอดความสุขที่ได้วันนี้ก็ยังจะอยู่ต่อไปในวันพรุ่งนี้เป็นความสุขที่ได้มาเมื่อวานนี้นี่เรียกว่าเป็นความสุขที่อยู่ทั้งอดีตอยู่ทั้งปัจจุบันอยู่ทั้งอนาคตเนเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมสลายคือความสุขของพระนิพพาน ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิพพานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่สูงสุดที่ดีที่สุดเพราะเป็นความสุขที่เป็นของเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดไม่มีวันจากเราไปพอพระพุทธเจ้าได้ทรงพบความสุขอันนี้แล้ว พระพุทธเจ้าก็เอามาสอนพวกเราผู้ที่อยากจะได้ความสุขกันให้มาหาความสุขจากพระนิพพานกันดีกว่าอย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อย่างที่พวกเรากําลังหากันอยู่ในขณะนี้พวกเราหาความสุขจากอะไรกันเราหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะชนิดต่างๆนั่นเองทุกวันนี้เราไปหาเงินหาทองกันเพื่อที่จะได้ใช้เงินทองมาซื้อความสุขต่างๆให้กับเราไปหาไปหายศไปหาตํ า, ยยหาตแหน่งกันเพราะเวลาที่เราได้มีตําแหน่งมียศเราจะมีความรู้สึกมีความสุขเพราะเรามีอํานาจที่จะสามารถ ใช้คนนั้นใช้คนนี้สั่งคนนั้นสั่งคนนี้ให้หาสิ่งที่เราต้องการมาให้กับเราได้แล้วเราก็หาความสุขจากการได้รับรางวัลต่างๆแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนเก่งมีความสามารถมีคนย ก, ย, กย่องนับถือในความสามารถของเรามอบรางวัลเกียรติยศต่างๆให้กับเรา เวลาเราได้รับการสรรเสริญเราก็ดีใจมีความสุขกันเราจึงต้องหาสรรเสริญกันอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะสรรเสริญก็ดีลาภก็ดียศก็ดีหรือรูปเสียงเก่งน็อตต่างๆที่เราหากันมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปจึงต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆหาเงินวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ต้องหาต่อ ได้ยศได้ตำแหน่งในขั้นนี้แล้วก็อยากจะได้ขั้นที่สูงขึ้นไปเพราะขั้นที่ได้แล้วความสุขที่ได้จากขั้นที่ได้แล้วมันหมดไปแล้วจะเกิดความสุขใหม่ขึ้นมาก็ต้องหาขั้นยศที่สูงขึ้นไปกว่าที่มีอยู่เช่นะนเดียวกับรางวัลต่างๆพอได้มาก็ดีใจสุขใจไปชั่วรักชั่วขณะ เดี๋ยวมันก็หมดไปก็ต้องหารางวัลกันใหม่อีกยังมีการแข่งขันกันทุกปีทุกเดือนทุกรอบแข่งกันไปใครได้รางวัลก็ดีใจมีความสุขเช่นเดียวกับการไปเสพรูปเสียงกลิ่นน็ต่างๆเสพกันวันนี้ก็มีความความสุขวันนี้เดี๋ยวพอพรุ่งนี้ความสุขที่ได้เสพในวันนี้มันก็หายไปหมด ก็ต้องหารูปเสียงเกิดรดผลทพามาเสพกันอยู่เรื่อยๆถ้ายังสามารถเสพได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดมีอุปสรรคไม่สามารถหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงเกิดลดได้ตอนนั้นใจก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจนี่คือปัญหา ในการหาความสุขจากลาบยศสรร เ, เสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันจะต้องมีวันที่เราจะไม่สามารถหามันได้เช่นร่างกายของเราก็อาจจะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเกิดพิกลพิการขึ้นมาการจะใช้ร่างกายเพื่อหาความสุขแบบที่เคยใช้ก็จะต้องยุติลงไป รืลดน้อยลงไปไม่สามารถหาได้อย่างเต็มที่เหมือนเมื่อก่อนหรือถ้าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะไปซื้อสิ่งต่างๆมาให้ความสุขก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้เวลาไม่มีความสุขใจก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือปัญหาของการ หาความสุขแบบที่พวกเราหากันซึ่งพระพุทธเจ้าเองก็เคยหาแบบนี้มาก่อนสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธาราชกุมารก็ทรงหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆแต่วันหนึ่งพระองค์ก็ทรงไปออกไปเที่ยวนอกวังเราไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเข้า เลยทำให้พระองค์เกิดความรู้ขึ้นมาที่ไม่เคยรู้ไม่เคยคิดถึงมาก่อนว่าต่อไปร่างกายของพระองค์เองก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและเวลาร่างกายแก่เจ็บหรือตายพระองค์ก็รู้ว่าจะไม่สามารถหาความสุขเหมือนกับที่พระองค์ทรงหาได้อยู่ในขณะนั้น จึงทําให้พระองค์ทรงเห็นโทษเห็นภัยของการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงก่นนสดจากบุคคลนั้นบุคคล น, นี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าจะต้องมีวันที่จะไม่สามารถหาได้แล้วพอไม่สามารถหาได้ความสุขก็จะไม่มีเมื่อไม่มีความสุขก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใน ใ, นใจแทน หลังจากที่ได้ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็ไปเห็นนักบวชก็ได้เรียนรู้ว่านักบวชเป็นผู้พวกที่หาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งพวกที่หาความไม่ได้หาความสุขจากลาบยศ ส, สรรเสริญจากรูปเสียงกลิน่นนสดแต่หาความสุขด้วยการทําใจให้สงบ หาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจพระพุทธเจ้าก็เลยมีความปรารถนาที่อยากจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขก็เลยรอเวลารอโอกาสที่จะต้องตัดสินพระไทยพอวันนั้นมาถึงคือวันที่ได้ทราบข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดลูกออกมา เรได้ยินข่าวพระองค์ก็ทรงอุทานว่าราหุนราหุนแปลว่าบ่วงทรงตัดว่าราหุนเกิดขึ้นแล้วบ่วงของเราได้เกิดขึ้นแล้วบ่วงที่จะรัดใจของเราไม่ให้เราออกจากราชวังไปได้ไม่ให้เราไปบวชได้พอรู้ว่าวันนั้นเป็นวันที่จะต้องตัดสินพระไทย ว่าจะอยู่หรือจะไปถ้าไม่ไปในวันนั้นก็จะต้องอยู่ต่อไปเพราะจะต้องถูกลกบ่วงของลูกความรักลูกห่วงลูกรัดใจไม่ให้ออกไปบวชนั่นเองก็เลยทรงตัดสินพระไทยต้องออกบวชในคืนนั้นต้องออกจากพระราชวังไปบวชในคืนนั้นแล้วก็ไปโดยไม่บอกใคร เขารู้ว่าถ้าบอกก็จะต้องถูกห้ามอย่างแน่นอนจึงไม่บอกใครหนีไปในยามดึกมีมหาเล็กตามไปส่งที่ชายแดนเพื่อเอาม้ากับพระราชวังพอพ้นเขตแดนพระ อ, องค์ก็ทรงเดินไปต่อเพื่อไปหาสำนักของนักบวชเพื่อที่จะได้บวชได้ศึกษาหา ความสุขอีกรูปแบบหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญศีลสมาธิสมัยนั้นยังไม่มีการเจริญปัญญามีแต่การรักษาศีลและมีการฝึกสมาธิทำใจให้สงบให้เข้าฌานในระดับต่างๆเวลาจิตสงบจิตอยู่ในฌานระดับต่างๆ จิตก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีลาบยศสรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจากลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสถ้าร่างกายเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะสามารถหาความสุขจากการเข้าฌานขั้นต่างๆได้ แต่ก็เป็นความสุขชั่วขณะที่ได้เข้าฌานแต่เวลาออกมาจากฌานแล้วใจก็เกิดความหิวโหยเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้วิธีที่จะกาจัดความหิวโหยของใจที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้ไปศึกษากับผร้อาจารย์รูปไหนก็ไม่มีใครรู้วิธีกาจัดความอยาก ที่สร้างความทุกข์สร้างความหิวโหวยให้กับใจเพราะตอนนั้นไม่มีความสุขเป็นนักบวชไม่สามารถไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ถ้าอยากจะเสบถ้าอยากจะเสพความสุขก็ต้องกลับเข้าฌานใหม่เท่านั้นพอออกจากฌานมาพอใจเริ่มหิวโหวยกับความสุข ก็ต้องบังคับให้กลับเข้าไปในฌานนั่งสมาธิใหม่นี่เป็นวิธีหาความสุขของพวกนัก บ, บวชในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทรงศึกษาซึ่งยังไม่เป็นความสุขที่สมบูรณ์เรียกว่ายังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่เพราะเวลาออกจากสมาธิออกจากฌานมาแล้วความสุขที่ได้จากสมาธิหรือจากฌานก็หายไป ต้องถ้าอยากจะได้ความสุขก็ต้องกลับเข้าฌานใหม่พระพุทธเจ้าก็เลยอยากจะหาวิธีว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ไม่ต้องเข้าฌานออกมาจากฌานก็สามารถมีความสุขได้ก็เลยสรงค้นหาสาเหตุว่าอะไรทำให้ใจไม่มีความสุขเวลาที่ออกจากสมาธิมา ก็ทรงเห็นว่าก็เกิดจากความอยากสามประการคือความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเรียกว่าการมตัญหาความอยากเสพความอยากมีอยากเป็นหรือความอยากเสบรูปประชานก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาและความอยากชนิดที่สามคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็น หรือความอยากเสพอารูปประชานก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยส่งหาวิธีแก้ปัญหานี้ความทุกข์จะเกิดจากความอยากถ้ากำจัดความอยากได้ดุจความอยากได้ความทุกข์ก็จะต้องไม่มีการใช้สมาธิกำจัดก็กำจัดด้วยชั่วคราว ออกจากสมาธิมาความอยากก็โผลขึ้นมาอีกก็ <Yeah. S 1> เลยส่งค้นหาว่าอะไรเป็นสาเหตุของความอยากสาเหตุของความอยากก็คือความหลงความไม่รู้เรียกว่าโมหะอาวิชชาไม่รู้ว่าความสุขที่หาจากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นทุกข์นั่นเองทุกข์เพราะว่ามันไม่สามารถตอบสนอง ความอยากความต้องการความสุขที่ถาวรได้ต่อให้เสพรูปเสียงกลิ่นลดมากน้อยเพียงไรก็ตามต่อให้ได้มีได้เป็นอะไรก็ตามต่อให้ได้เข้าฌานก็ตามต่อให้ไม่มีไม่เป็นอะไรก็ตามความสุขที่ได้มันก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจัง วิธีที่จะทำให้ใจมีความสุขตลอดก็คือต้องไม่เสพความสุขเหล่านี้ต้องฝืนเหมือนทุกครั้งที่อยากจะเสบพรูปเสียงกินลดก็ต้องไม่ฝืนไม่ไม่ทำตามทำใจนิ่งๆเฉยๆด้วยสติควบคุมใจให้อยู่เฉยๆให้ใจนิ่งแล้วความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความอยากจะหายไป แล้วต่อไปความอยากที่มีอยู่มันก็จะหมดไปเพราะว่าจะไม่เสพด้วยปัญญาจะไม่ทำตามความอยากด้วยปัญญาเพราะรู้ว่าการทำตามความอยากต่างๆนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดพออยากได้อะไรพอได้มาแล้วเดี๋ยวมันหมดไปก็ต้องไปหามันมาใหม่ต้องหามันอยู่เรื่อย เพราะสิ่งต่างๆที่หามาได้ไม่นานมันก็จะหมดไปความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปถึงแม้ว่าสิ่งที่ได้มายังไม่หมดแต่มันไม่มีความสุขเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆแล้วเช่นข้าวของต่างๆที่เราไปซื้อกันเวลาซื้อมาใหม่ๆเรามีความสุขกันแต่พอหลังจากนั้นไม่นานมันก็หมดไป ทำให้เราต้องซื้อของใหม่มาเติมอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่ของใหม่กับของเก่าก็เหมือนกันเสื้อเก่ากับเสื้อใหม่มันก็เหมือนกันแต่ความสุขที่ได้มันไม่เหมือนกันความสุขที่ได้จากเสื้อเก่ามันหมดไปแล้วต้องไปหาความสุขจากเสื้อใหม่พอซื้อเสื้อใหม่ก็ได้ความสุขเดี๋ยวความสุขที่ได้จากเสื้อใหม่ก็หมดไปก็ต้องซื้อใหม่อีก ถ้าไม่ซื้อเสื้อก็ซื้อรองเท้าไม่ซื้อรองเท้าก็ซื้อกระเป๋าไม่ซื้อกระเป๋าก็ซื้อแหวนซื้อส่้อยซื้ออะไรต่างๆขอให้มันเป็นของใหม่ก็แล้วกันเพราะเวลาได้ของใหม่แล้วมันจะรู้สึกเกิดความสุขขึ้นมาแต่พอมันกลายเป็นของเก่าแล้วความสุขมันก็หายไปอีกแล้วก็เลยต้องหามันอยู่เรื่อยๆเนี่ยเวลาหาไม่ได้ก็จะทุกข์ทรมานใจ งั้สู้มาสู้ความทุกข์ทรมานใจด้วยการไม่ไปทำตามความอยากดีกว่าเพราะถ้าไม่ทำตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันจะหมดกำลังไปเองแล้วพอมันหมดกำลังแล้วมันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจต่อไปจะไม่อยากจะซื้อเสื้อใหม่ไม่อยากจะซื้อรองเท้าใหม่ไม่อยากจะซื้อกระเป๋าไม่อยากจะซื้อแหวนซื้อเพชรซื้อสร้อยซื้อต้มหูซื้ออะไรต่าง เพราะว่ามันไม่มีความอยากที่จะซื้อแล้วไ ม, ไม่เดือดร้อนเวลาไม่ซื้อมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะมันฝืนความอยากได้สู้ความอยากได้ชนะความอยากได้นี่แหละคือวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทําให้ใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีความรู้สึกทุกข์อีกต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือไม่ได้อยู่ในสมาธิ เพราะใจของพระพุทธเจ้าได้กำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยปัญญาด้วยความรู้ว่าการทำตามความอยากนี้จะทำให้ต้องทำไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดความอยากนี้ท่านบอกว่ามันไม่มีขอบมีฝั่งทะเลมหาสมุทรนี้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนมันยังมีขอบมีฝั่ง แต่ความอยากของใจนี้ไม่มีวันหมดถ้าทำถ้าทาตามมันแล้วมันจะขยายตัวไปเรื่อยๆอย่างที่มีสุภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่าพอได้ครบก็อยากจะได้สอกพอได้ศอกก็อยากจะได้วามีร้อยก็อยากจะได้พันมีพันก็อยากจะได้หมื่นมีหมืนก็อยากจะได้แสนเป็นในสิบก็อยากจะเป็นในร้อย เป็นนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันเป็นนายพันก็อยากจะเป็นนายพลเป็นนายพลก็อยากจะเป็นจอมพลอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วพออยากแล้วไม่ได้ก็เครียดก็ทุกข์ขึ้นมาวิธีที่จะกำจัดความอยากนี้มีวิธีเดียวเท่านั้นคือต้องฝืนเหมือนต้องไม่ทำตามมัน ด้วยเห็นเห็นโทษของการทำตามความอยากว่าจะไม่มีวันจบเอเหมือนคนมาขอเงินนี่ลองให้ดูสิไม่มีวันจบหรอกวันนี้มาขอร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาขออกีกถ้าให้อีกเดี๋ยวมันรืนนี้ก็มาอีกนแต่ถ้าลองไม่ให้สิเดี๋ยวไม่กี่วันมาขอสักสองสามครั้งแล้วไม่ให้นี่รับรองว่าไม่กลับมาแล้วเพียงแต่ว่าก่อนจะไปขอด่าหน่อยเท่านั้นเองพอได้ด่าแล้วทีนี้เขาก็ไม่กลับมาแล้ว ก็ปล่อยเขาด่าดีกว่าดีกว่าจะต้องมาคอยควักเงินให้เขาทุกวันทุกวันถ้าให้เขาวันนี้พรุ่งนี้เขาก็มาอีกถ้าให้พรุ่งนี้มะรืนนี้เขาก็ตามมาอีกเพราะนี่คือธรรมชาติของความอยากพระพุทธเจ้าสรงค้นด้วยปัญญาเข้าใจธรรมชาติของความอยากว่าความอยากนี้จะไม่มีวันหมดไปแล้วความทุกข์ที่เกิดความอยากก็จะไม่มีวันหมดไป ถ้าปล่อยให้ใจทำตามความอยากอยู่เรื่อยๆมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้มันหมดก็คือต้องไม่ทำตามมันอยากไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวเผลอมันมันหงุดหงิดลำคาญใจอยู่บ้านก็ฝึกสมาธิไปใช้สมาธิาธทำใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งสงบความอยากก็ไม่มาสร้างความทรมานใจพอออกจากสมาธิมาความอยากที่เคย คอยสร้างความวุ่นวายใจก็หายไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่กลับมาเลิกได้เราเลิกทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้เลิกดื่มสุราได้เลิกเที่ยวได้เลิกช้อปปิ้งได้เลิกทำอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นได้ถ้าทำด้วยความอยากแล้วเห็นโทษของการทำความอยากว่าทำไปแล้วจะไม่มีวันสิ้นสุด ไม่ว่าจะทำมากทำน้อยได้มามากได้น้อยเท่าไหร่คำว่าพอจะไม่เกิดขึ้นในใจที่มีความอยากความว่าพอนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหยุดความอยากต่างๆพอหยุดความอยากแล้วความพอมันก็ปรากฏขึ้นมาเองความอิ่มมันก็ปรากฏขึ้นมาเองเพราะความพอกับความอยากมันเป็น เ, เหรียญสองด้าน ถ้าเราหงายเหรียญขึ้นมาด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ต้องอยู่ข้างล่างมันจะโผล่ขึ้นมาสองด้านพร้อมกันไม่ได้เหมือนกับความมืดกับความสว่างมันก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกันไม่ได้ความสุขกับความทุกข์ก็เกิดจากความอยากแล้วเกิดความไม่อยากนันเองหรือเกิดจากความอิ่มนั่นเองเวลามีความอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาความอิ่มก็หายไป พอเวลาไม่มีความอยากความอิ่มก็โผล่ขึ้นมาวิธีที่จะทำให้ใจของเราอิ่มไม่ใช่ไปทำตามความอยากแต่แม้ว่าจะอิ่มแต่อิ่มเดี๋ยวเดียวอิ่มแล้วเดี๋ยวก็หิวใหม่ทำตามความอยากความอยากก็จะสงบตัวลงชั่วคราวแล้วเดี๋ยวความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่วิธีที่จะทำให้ความอยากมันสงบ แบบไม่โผล่กลับขึ้นมาก็คืออยาไปทําตามความอยากฝืนมันมันอยากสูบบุหรี่ก็อยาไปสูบมันเดี๋ยวสักพักหนึ่งความอยากมันหมดแรงแล้วมันก็จะไม่มีความอยากจะสูบบุหรี่ช่วงที่ฝืนมันถ้าเราทรมานเราก็ใช้ยาหมองของพระพุทธเจ้ามาแก้ความทรมานได้ยาหมองก็คือการใช้สติ ทำใจให้สงบนั่นเองนั้นก่อนที่เราจะมาต่อสู้กับความอยากได้ด้วยปัญญาเราจึงต้องมีสมาธิก่อนสมาธินี้เป็นเหมือนกับยาที่จะมาช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานใจเวลาที่เราฝืนความอยากเวลาที่เราไม่ทําตามความอยากพอมันอยากเราก็เข้าสมาธิไปหรือมองมุมกลับมองให้เห็นว่า การที่เราไปหาความสุขจากสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันอาจจะกลายเป็นความทุกข์ก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนบางทีอยากได้แต่พอไปหามากลับไม่ได้ก็ผิดหวังเสียใจอีกแต่ถ้าไม่อยากได้ก็จะไม่มีวันผิดหวังไม่มีวันเสียใจ หรือว่าถ้าได้สิ่งที่ได้มาแล้วเดี๋ยวมันอาจจะจากเราไปก่อนก็ได้ไม่มีใครรับประกันได้ว่าสิ่งที่เราได้มานั้นจะอยู่กับเราไปตลอดเวลาจะต้องมีวันพัดพลาคจากกันไม่ช้าก็เร็วไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายพอเกิดการพัดพลาคจากกันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นี่คือเครื่องมือที่พระตถเจ้าทส่งค้นพบในการต่อสู้กับความอยากต่างๆต้องสู้ด้วยการด้วยใช้เหตุผลใช้ปัญญาใช้ความจริงว่าถ้าทำตามความอยากแล้วจะไม่มีวันสิ้นสุดจะต้องทำตัดอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะทำตามความอยากก็ต้องมองเห็นผลที่จะเกิดว่าสิ่งที่เราได้มานั้น มันจะอาจจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแทนเป็นความสุขก็ได้ <Yeah. S 1> ถ้าเห็นว่าเป็นความทุกข์แล้วอันนี้ก็เปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่า <Yeah. S 1> บางคนแต่งงานกันแล้วถึงมาเสียใจในภายหลังรู้อย่างงี้ไม่แต่งดีกว่าเพราะก่อนที่จะอยู่ร่วมกันก็ดีแสนดีพอามาอยู่ร่วมกันไม่กี่วันกลายเป็นพยามาณขึ้นมาเสียแล้ว เกิดสงครามขึ้นมาในในบ้านเสียแล้วโดยไม่คาดฝันอันนี้เพราะเราไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนไม่ได้มองเห็นด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีการรับประกันว่าสิ่งที่เราคิดว่าดีจะดีกับเราเสมอไปวันดีคืนดีก็อาจจะพลิกกลายเป็นของไม่ดีไปจากการเป็นมิตรก็จะกลายเป็นศัตรูขึ้นมาก็ได้ ต้องคิดแบบนี้แล้วคิดด้วยปัญญาแล้วมันจะทําให้ความอยากนี้มันหดตัวลงมันจะไม่กล้าทําตามความอยากจะไม่อยากทําตามความอยากนะนี่คือวิธีการของพระพุทธเจ้าในการแสวงหาความสุขของพระนิพพานความคําว่านิพพานก็คือใจที่ได้ ชำละความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปนั่นเองเรียกว่านิพานใจที่ไม่มีกามตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหาเป็นใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะไม่มีตัณหามาสร้างความทุกข์ให้กับใจเรียกใจนี้ว่านิพานใจที่เป็นนิพานนี้เป็นใจที่หลุดออกจากไตรภพ หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเพราะใจที่เป็นนิพพานนี้เป็นใจที่อิ่มที่พอที่ไม่มีความอยากไม่มีความหิวกับลาบยศ ส, สรลเสญกับรูปเสียงกลิ่นรสผลึกกับรูปประญากับอารูปประญานีที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้จิตใจหรือดวงวิญญาณของสัตว์โลกต้องติดอยู่ในไตพบกัน พอได้ชำระความอยากทั้งสามที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปแล้วใจก็พลิกเป็นใจของพระอระหันต์ใจของพระพุทธเจ้าขึ้นมามเป็นใจที่บริสุทธิ์ไม่มีความอยากต่างๆอยู่ภายในใจที่จะดึงใจให้กลับไปเวียนว่ายตายเกิดในไตพอบิกต่อไปอนี่แหละคือ ใจที่เรียกว่านิพานเนี่ยคือใจที่ปราศจากความอยากทั้งสามเมื่อไม่มีความอยากใจที่เป็นนิพานนี้ก็จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจอยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายไม่ได้สูญหายบางท่านอาจจะเข้าใจผิดที่มีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิบานังปรมังสุญหยัง นิพพานเป็นความสูญอันยิ่งใหญ่คาว่าความสูญนี่หมายความว่าความว่างเปล่าไม่มีอะไรในใจที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองต่างกับต่างกับใจของปุุ้ชนอย่างพวกเราที่มีอะไรวุ่นวายต่างๆมาสร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่ตลอดเวลามีความอยากต่างๆมีความโลภความโกรธความหลงต่างๆ มีอารมณ์ต่างๆมาคอยก่อกวนมาสร้างปัญหาให้กับใจเราอยู่ตลอดเวลาแต่พอได้กบจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วสิ่งต่างๆเรื่องราววุ่นวายใจต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจนี้จะหายไปหมดใจนี้เป็นเหมือนอยู่ในอวกาศว่าท่าน่างเรียกว่านิบานังปรมังศูนย์อยางใจที่ไม่มี ความอยากจะไม่มีเรื่องมีราวมาก่อกวนใจให้วุ่นวายใจอีกต่อไปนี่คือความหมายของความว่านิพพานังประมังสุญญงนิพพานังประมังสุขขังการอยู่กับความว่างนี่แหละเป็นการมีความสุขที่แท้จริงเพราะถ้าไปอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ช้าก็เร็ว เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเกิดมีการดับทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามีแล้วมันจะไม่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีเกิดมีดับแต่ถ้าไม่มีแล้วมันก็จะไม่มีเกิดไม่มีดับเมื่อไม่มีเกิดไม่มีดับก็จะไม่มีทุกเนี่ยนี่คือความหมายของใจที่ว่างว่างจาก สิ่งต่างๆพ่อใจไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรเพราะได้กาจัดความอยากมีอยากเป็นไปหมดแล้วนั่นเองนี่คือการตัดสรุของพระพุทธเจ้ารู้วิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรให้กับใจคือความสุขของพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนั่นเองพอได้รู้วิธีแล้วและได ได้พบกับความสุขการประเสริฐนี้แล้วพระองค์ก็เลยอยากจะแบ่งปันอยากจะแชร์ให้กับพวกที่ยังไม่มีเหมือนพวกเราสมัยนี้เวลาไปอ่านข้อความอะไรในเฟซขึ้นมาเห็นว่าดีอ่านแล้วประทับใจก็อยากจะแชร์กันส่งให้เพื่อนฝูงกันอยากให้เพื่อนฝูงมีความสุขพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับพวกเราพระพุทธเจ้าก็อยากให สัตว์โลกเพื่อนร่วมโลกมีความสุขเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบความสุขที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถค้นพบได้ด้วยตนเองต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาค้นพบแล้วมาแชร์มาเอามาแบ่งปันเท่านั้นเมื่อเมื่อเป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยต้องยอมรับหน้าที่ว่าต้องแบ่งปันต้องแชร์ แต่ก็แบ่งปันเพื่อให้คนอื่นเขาได้ทำหน้าที่ต่อพอได้แบ่งธรรมะแบ่งพระนิพพานให้กับพระสาวกแล้วพระสาวกท่านก็ทำหน้าที่ต่อพระสาวกก็ไปแบ่งต่อแล้วก็ได้พระสาวกองใหม่มาทำหน้าที่ต่อจึงมีการแบ่งพระนิพพานแบ่งปันพระนิพพานกันมานับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ท่งแบ่งปันด้วยการแสดงธรรมครั้งแรก มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการแบ่งปันพระนิพพานให้กับพวกที่ไม่มีอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยครูบาอาจารย์ต่างๆที่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรากล่าวไหวบูชาท่านก็เอาพระนิพพานมาแบ่งปันให้กับพวกเราถ้าพวกเรามีความขยนันไม่ขี้เกียจมีความศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติเดี๋ยวเราก็จะได้พระนิพพานเหมือนกัน แล้วพอเราได้พระนิพพานเราก็จะได้เป็นพระอาหารหันตสาวกเหมือนกันแล้วเราก็สามารถแบ่งปันพระนิพพานให้กับผู้อื่นได้อีกต่อไป น, นี่การที่พระพุทธศาสนาตั้งมาอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่ามีการเผยแผ่แบ่งปันพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้นั่นเองพอผู้ที่ไม่รู้ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้นำเอาไปปฏิบัติก็สามารถเข้าถึงความสุขของพระนิพพานได้พอเข้าถึงแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนฝูงก็แบ่งปันกันต่อไปเป็นทอดๆนี่แหละคือการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาอยู่กับโลกไปได้นานๆนี้อยู่ที่การแบ่งปันพระธรรมคาสอน ที่จะสอนวิธีสร้างพระนิพพานขึ้นมาภายในใจของผู้ที่ศึกษานั่นเองไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างอะไรต่างๆขอให้สร้างธรรมะเท่านั้นแหละขอให้มีธรรมะไปเผยแผ่ไปบอกผู้ที่ไม่รู้ให้เขารู้ได้ให้เขาปฏิบัติได้เท่านั้นแหละ<ๆ>ก็จะมีธรรมะมาแบ่งปันมีพระนิพพานมาแจกจ่ายกันอยู่เอย ส่วนเรื่องโบสถ์เรื่องเจดีย์เรื่องอะไรต่างๆที่เป็นฐาวนวัตถุนี้มันเป็นเรื่องของแถมเท่านั้นมีก็ได้ไม่มีก็ได้พุทธศาสนานี้ไม่มีโบสถ์ก็ได้ไม่มีเจดีย์ก็ได้ไม่มีวัดก็ได้นสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเผ ย, ยแผ่พระธรรมคําสอนในยุคแรกๆไม่มีวัดนะทรงสแสดงธรรมขั้งแรกในสวนใช่ไหยในป่าสิปตนานเีะแล้วก็ ในวันมาค้าบูชาก็สแสดงธรรมในป่าเหมือนกันจำชื่อไม่ได้ก็ป่าเลยเนี่ยศาสนาไม่จำเป็นจะต้องมีโบสถ์มีเจดีย์มีกุฏิมีวัดวัดของาศาสนาพุทธที่แท้จริงก็คือป่าเขาลํำนาวพลยนี้เองตามถ้ำตามเงื่อมผาตามเลื่อนล้างตามป่าชา้าที่ไหนเป็นสถ า, านที่สงบสงัดวิเวกที่ห่างไกลาจากแสงสีเสียง ที่นั่นแหละเป็นวัดของพระพุทธศาสนาที่ไหนที่มีโบสถ์มีเจดีย์แต่มีแสงสีเสียงเต็มไปหมดนั้นที่นี้ที่นั่นไม่ได้เป็นวัดดอกเพราะไม่สามารถผลิตพาาารตะอรหันตสาวกขึ้นมาได้มีพระกี่ดรูปที่อยู่ในบ้านในเมืองที่บรรลุปเป็นพาาาระอรหันตสาวกกันแทบจะไม่มีปรากฏเลยไม่มีการเล่าขานถึงเลย ว, ว่ามีพระที่อยู่ในวัด วัดนั้นวัดนี้ในเมืองนั้นเมืองนี้บรรลุปเป็นพระอราหันต์กันมีแต่ข่าวว่ามีแต่พระรูปนั้นพระรูปนี้อยู่ในป่าเขาเขานั้นป่านี้อยู่ในถ้ำนั้นถ้านี้ที่บรรลุปเป็นพระอราหันต์กันเพราะท่านเหล่านั้นท่านรู้ว่าวัดของพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ไหนนั่นเองพวกที่ไปอยู่ในวัดที่ ที่คิดว่าเป็นวัดนั้นไม่ใช่วัดถ้าคิดว่าวัดคือที่มีโบสถ์มีเจดีย์มีกุฏิมีถาวนวัตถุต่างๆนี้จะเข้าใจผิดเพราะวัดเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในที่เจริญของราบยศสรรเสริญเจริญของรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างพันิพาณให้เกิดขึ้นภายใน ใ, นใจนั่นเองผู้ที่ฉลาดนั้นจึงจะ จึงไม่อยู่ตามวัดเหล่านั้นจะต้องหนีจากวัดเหล่านั้นไปอยู่วัดที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา mm hmm. ก็คือวัดที่มีแต่ความเงียบสงบอยู่ตามป่าตามเขานี่เองดังนั้นที่พูดนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าอย่าหลงทางกันอย่าไปคิดว่าการทานุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่การสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูป สร้างสาวนวัตถุต่างๆอันนี้ไม่ได้เป็นการทานุบำรุงให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ในโลกนี้ไปได้พระพุทธศาสนานี้อยู่ได้เพราะมีการแบ่งปันพระนิพพานกันคนที่เข้าหาพระศาสนาที่แท้จริงนี้เข้าเข้าหาพระนิพพานกันเขาไม่ได้เข้าหาโบสถ์เขาไม่ได้เข้าหาเจดีย์ไม่ได้เข้าหาพระพุทธรูป เพราะฐาวรนละพวัตถุเหล่านี้ไม่ทำให้ใจเขาพ้นทุกข์ได้ต่อให้กับพระพุทธรูปวันละพันครั้งก็ไม่พ้นทุกข์นะต่อให้เวียนเทียนรอบเจดีย์พันรอบก็ไม่พ้นทุกข์แต่ถ้าไปปีกวิเวกอยู่ในเขาได้ไปเจริญสติสมาธิปัญญาได้นั่นแหละจะพ้นทุกข์ด้วยวิถีนั้นกันนี่เพียงแต่พูดให้เข้าใจเพื่อพวกเราจะได้ไม่หลงทาง เพราะบางทีเราไปคิดว่าศาสนาอยู่ที่ถาวรวัตถุและการหลุดพ้นของพวกเรานี้จะหลุดพ้นด้วยการไปสร้างถาวรวัตถุต่างๆอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะการจะหลุดพ้นนี้เราต้องไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปหาที่สงบที่ไม่มีอะไรมายั่วยวนกวนใจให้เกิดกิเลสตัณหาให้เกิดความโลภเกิดความอยากต่างๆ เพื่อที่เราจะได้เจริญสติให้เกิดสมาธิแล้วจะได้ใช้สมาธิควบคู่กับปัญญาในการที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่จะมาคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราอย่างไม่รู้จักจบสักจักสิ้นนี้ให้มันหมดสิ้นไปอย่างอย่างเด็ดขาดเนี่ย แล้วพอเราได้บรรลุเราสบายแล้วเราก็สามารถที่จะไปช่วยผู้อื่นต่อไปได้ไปสอนคนอื่นที่ยังไม่รู้ให้รู้วิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆแล้วทาอย่างนี้ไปเป็นทอดๆศาสนาก็จะไม่มีวันหมดเพราะคนที่มาสัมผัสกับพระธรรมคำสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติแล้วได้รับผลนี้จะติดอกติดใจจะไม่ทิ้งศาสนา แต่คนที่มาเข้าหาถาวรวัตถุนี่เข้ามาแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้ประโยชน์จากถาวรวัตถุอะไรต่อไปก็เกิดความเสื่อมศรัทธาไปเองเพราะไม่รู้เข้ามาแล้วได้อะไรมันไม่ได้อะไรความทุกข์ใจที่มีอยู่มากน้อยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมถ้าเราไปหลงสร้างถาวรวัตถุล้าไม่มาสร้างพระอาหารหันตสาวกนี่ต่อไปศาสนาของเราก็จะหมด คือตัวเนื้อของศาสนาจะหมดส่วน ต, วตัวเปลือกนี้อาจจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองอาจจะมีวัดวาเพิ่มขึ้นมากมายมีวัดใหญ่โตวัดสวยงามมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆมีเจดีย์องค์ใหญ่ๆแต่ถ้าววรวาตถเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาสอนธรรมะให้กับผู้ปฏิบัติได้ไม่สามารถ ทำให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากความทุกข์ต่างๆได้ต้องมีพระอาหารหันตสาวกเท่านั้นที่จะมาคอยสอนมาคอยบอกว่าการปฏิบัติเพื่อให้การหลุดพ้นนี้ทำอย่างไรแล้วมันก็ไม่ยากความจริงมันก็มีแค่สามข้อนี้ให้ไปรักษาศีลให้ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ให้ไปสอนใจให้ฉลาด ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นสุขนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันจะไม่มันไม่เป็นของเรามันมันจะไม่ให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดวันใดวันหนึ่งมันก็จะจากออกไปให้เห็นอย่างนี้จะได้ไม่ไปอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พอไม่มีความอยากได้อะไรความอยากในใจมันก็หมดไปหมดไปใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นนิพพานขึ้นมา นี่มันง่ายกว่าการไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างโบสถ์นี่ต้องไปซื้อปูนต้องไปซื้อเหล็กซื้ออะไรมาแล้วต้องไปจ้างคนงานมาแต่สร้างนิพานนี้ไม่ต้องไปซื้อปูนไม่ต้องซื้ออิดนะไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องไปจ้างคนนั้นคนนี้มาทํานู่นทํานี่ให้กับเราดูพระพุทธเจ้าท่านสร้างไข่จ้างไข่หรือเปล่าตอนที่ท่านไปสร้างพระนิพานท่านก็ไปอยู่ในป่าคนเดียวะ ไปต่อสู้กับกิเลสไปค้นหาวิธีทำลายกิเลสจนในที่สุดก็พร้อมก็ทรงค้นพบพระอริยสัจสีทรงค้นพบใตรักนี่ที่เป็นเครื่องมือที่จะเอามาทำลายความอยากต่างๆแล้วก็มาสร้างความสุขของพระนิพพานให้แก่ใจไม่ต้องอาศัยใครการสร้างพระนิพพานนี้ไม่ต้องอาศัยใครอาศัยกำลังของตนเองเป็นหลัก ถ้าจะอาศัยก็อาศัยเพียงเรื่องของปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ก็ต้องอาศัยการให้ทานของผู้ใจบุญผู้ปฏิบัติไม่มีเวลาที่จะไปหาอาหารไปทำอาหารก็เลยมอบให้กับผู้ที่มีใจบุญผู้ที่อยากจะสนับสนุนอยากจะสร้างพระอาหานขึ้นมาก็ให้เขาใส่บาตรไปก็พอไม่ต้องสร้างโบสถ์ไม่ต้องสร้างเจดีย์ไม่ต้องสร้างอะไรหรูหละ ถ้าอยากจะสร้างก็สร้างสถานที่สงบให้มีที่ปฏิบัติก็พอนะนี่แหละคือการที่เราจะทำให้เกิดให้มีศาสนาอยู่กับในโลกนี้ไปนานๆเป็นที่พึ่งของศัตรูโลกไปนานๆ น, นี้ต้องมาสร้างพระอาหารหันต์กันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างทรงทำเป็นตัวอย่าง เพียงระยะเวลาเจ็ดเดือนของการเผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สร้างพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปแล้วแล้วพระอาหารหันต์หนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูปนี้ก็จะกระจายไปสร้างพระอาหารหันต์เพิ่มขึ้นอีกมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอีกหลายหลายร้อยหลายพันเท่าเดียกันแล้วศาสนาก็ ก็จเจริญนุ่งเนืองมาได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ฐานวรลวัตุต่างๆที่สร้างในยุคสมัยพระพุทธเจ้าก็หายไปหมดแล้วเสื่อมไปหมดแล้วแต่พระอาหารหันตสาวกไม่เสื่อมไม่หายทุกวันนี้เรายังมีพระอาหารหันตสาวกที่เราไปกราบไหว้ไปบูชาไปศึกษาไปเรียนรู้ได้นี่แหละคือเนื้อหาของศาสนา เรื่องของมาค้าบูชาก็เพื่อให้เราได้เรียนรู้ด้ได้ทำความเข้าใจว่าศาสนาของเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ถาวราวัตถุต่างๆไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ที่เจดีย์ที่พระพุทธรูปแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ลบลู่ก็อยากจะสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ก็สาธุแต่มันไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระของศาสนา เนื้อหาสาระของศาสนาก็คือการเผยแผ่ธรรมะของพระอาหารหันตสาวกที่จะทําให้ศาสนานี้เป็นของมีคุณค่าต่อผู้ที่เข้าหาการได้สดับรับฟังคําสอนนั้นได้น้อมนํอมาไปปฏิบัตินี้ทําให้ผู้ที่ปฏิบัติได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงผู้ใดได้ปฏิบัติแล้วได้สัมผัสกับ การบรรลุรมขั้นต่างๆนี้จะรู้ทันทีว่าไม่มีรถอันใดในโลกนี้ที่จะสู้รถแข่งธรรมได้รถแห่งวิมุตตินี่แหละที่ทำมาให้คนนี้ติดอกติดใจที่อยากจะเข้ามาเป็นพุทธศาส น, านิกชนไม่ใช่เพราะว่าโบสถ์สวยงามเจดีย์สวยงามพระพุทธรูปสวยงาม เมีต่างชาติมาเที่ยวมาดูมาถ่ายรูปวัดพระแก้ววัดโพกันถ่ายเสร็จแล้วเขาก็กลับไปแต่มีพวกต่างชาติเด็กพวกหนึ่งนี้เขาไม่ได้ถ่ายเขาไม่ได้เห็นวัดโพวัดเห็นพระแก้วแต่เขาได้ได้อ่านได้ฟังคําสั่งคําสอนของพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าพอเขาได้ยินได้ฟังแล้วนี่เขากลับมาอีกเขากลับมาอยู่ในเมืองไทยมาบวชเป็นพระในเมืองไทย นียอะไรดึงดูดใจให้คนเข้าหาศาสนาไม่ใช่ถาวรวัตถุแต่สิ่งที่จะดึงดูดใจของให้คนเข้าหาพระพุทธศาสนาก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนจากปากของผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเนี่ถ้าสอนจากปากของผู้ที่ไม่ได้บรรลุธรรมก็เป็นเหมือนกับคนตาบอดที่บอกทางเท่านั้นเอง ไม่เหมือนกับคนตาดีที่บอกทางคนตาบอด ก, ก็บอกไปตามที่ได้ยินได้ฟังมาเขาบอกให้ไปทางนู้นทางนี้ก็บอกต่อๆกันไปแต่ไม่รู้ว่าไปแล้วถึงก็ไม่ถึงก็ไม่รู้เพราะตัวเองไม่ได้ไปแต่คนที่บอกทางด้วยการที่ได้ไปมาแล้วได้เห็นแล้วน่ต่างกันจะบอกได้อย่างถูกต้องแม่นยาและจะไม่พาให้คนที่ ถามทางไปหลงทางจะพาให้เขาไปถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการแล้วจะทำให้เขาได้มาทำหน้าที่เป็นผู้บอกทางอีกต่อไปอีกทอดหนึ่งด้วยนี่คือเรื่องราวของพระพุทธศาสนา ในวันมาครับูชานี้คาว่าบูชาแปลว่าอะไรบูชาก็คือการแสดงความเคารพนับถือแสดงความกตัญญูกตเวทีของพระคุณของพระพุทธเจ้านี้เองถ้าเราอยากจะบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกให้เรามาปฏิบัติบูชากันปฏิบัติบูชาด้วยการปฏิบัติ ด้วยการศึกษาก่อนศึกษาวิธีการปฏิบัติเมื่อศึกษาแล้วก็นำออกไปปฏิบัติการที่จะบูชาศาสนาบูชาพุกคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ปฏิบัติบูชาให้บูชาด้วยการปฏิบัติปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั่นเอง ถ้าพวกเราอยากจะบูชาอยากจะรักษาพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปยาวนานให้เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นขอให้เรามาบูชากันด้วยการปฏิบัติบูบชาขอให้เรามารักษาศีลกันขอให้พวกเรามาหัดนั่งสมาธิกันขอให้พวกเรามาพิจารณาไตรลักษ์กันจเจริญ พิจารณาอาริยสัจสี่กันของไม่ยากมีแค่นี้เองของที่ถ้าเราตั้งใจทํากันจริงๆแล้วรับประกรันได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรับประกรันไว้ว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีสามารถที่จะบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานได้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้คลองเรือนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ เป็นชนชาติชั้นใดวันนาใดสามารถไปถึงพันธิพานได้ด้วยกันทุกคนศาสนาพุทธนี้ไม่ไม่จำกัดเรื่องเพศเรื่องวัยจำกัดอยู่ที่ว่ามีศีลสมาธิปัญญาหรือไม่เท่านั้นดังนั้นถ้าเราอยากจะบูชาแล พระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และทำให้เราได้มีความสุขได้หลุดพ้นไปด้วยพร้อมๆกันก็ขอให้เรามาบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเนื่องในวันมาคบูชานี้นี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับวันมาคบูชาที่ขอมาฝากท่านไว้ในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเลติสาขลังเอวามวาอิตโตทินังเปตานังอุ ป, ปกบปฏิอิธิตังปิติตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยมิวาจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตปะวะตวันตรายุสุขีติคายุโกภวะ อาพิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังพาลาังชวนต่อไปเป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ ช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วก็จะของดเพราะไม่ว่างต้องทำอย่างอื่นต่อถ้าอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ทาง f a c e b o o ห้า2้อยิบสองท่านครับ y o u t u สา330อสาสิบท่านครับวิทยออนไลน์สิบแปดท่านครับผู้เราฟังบนเขา สี่รอยี่บหกท่านครับรว ม, มทั้งหมดหนึ่งพันสอง้เก้าสิบหกท่านครับประอาจารย์วันนี้สถิติใหม่หนึ่งันสองคนมากถามได้เลยถ้ามีคำถามคำถามจากผู้รับฟังบนเข่าครับปานาติบาห้ามฆ่าถ้าฆ่าสัตว์ในฐชาลัระหว่างมดกิ้งก่าหมาหมูหมวัว ช้างบาปที่ได้รับเท่ากันไหมครับอ๋อไม่เท่ากันนะมีบาปหนักบาปเบาเหมือนติดคุกมีโทษหนักโทษเบาติดห้าปีติดสิบปีขึ้นอยู่กับโทษที่ทำว่าหนักเบาสร้างความเสียหายมากน้อยค่าสัตว์เล็กความเสียหายมันน้อยกว่าค่าสัตว์ใหญ่ค่าพ่อค่าแม่นี่หนักมากที่สุด ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระ อ, อราหันต์นี่ถือว่าเป็นบาปหนักที่สุดฆ่าคนอื่นยังไม่หนักก็เป็นแต่ฆ่าคนนี้หนักกว่าฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ใหญ่ก็หนักกว่าฆ่าสัตว์เล็กคําถามจากผู้รับฟังบนเขาอีกข้อหนึ่งครับกรรมที่เพศไม่สมบูรณ์เป็นเกย์เป็นกระเทยสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับได้เพราะใจนี่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายใจขึ้นอยู่กับว่ามีธรรมหรือไม่ถ้าสามารถรักษาศีลสามารถนั่งสมาธิสามารถศึกษาให้เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยาาสัจสี่ได้ก็สามารถบรรลุธรรมได้ คำถามจากผู้รับฟังบนเขาเจ้าค่ะถ้าสมมติว่าผมนั้นเคยสาบานสิ่งใดไว้ในอดีตแล้วมารู้ทีหลังว่าคำสาบานที่เคยให้ไว้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิผมเลยจะไม่ทำตามไม่ทาตามคำสาบานนั้นผมจะบาปตื่อได้รับโทษอย่างไรครับไม่บาปหรอกองคุลิมานก็สาบานว่าจะฆ่าคนเก้าันถ้าหนึ่งพันคน พอเจอพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความผิดผิดก็เลยเปลี่ยนแทนที่จะไปฆ่าคนแล้วไปฆ่ากิเลสแทนฆ่ากิเลสของตนเองก็เลยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาคำถามจากผู้รับฟังบนข่าวค่ะถ้าหากเราทำผิดต่อผู้ที่เขาหวังดีมากๆ ก, กับเรา เราควรจะทําอย่างไรครับกราบขอบพระคุณครับถ้าขอขมาได้ก็ไปกราบขอเข้ามาขอโทษว่าไม่ได้ทําหรือทําด้วยความลุกแกลโศกหรือขาดสติอย่าสานึกผิดก็ขอให้เขาได้ให้อภัยโทษเขาจะให้อภยัไอภยไหมฮะภัยไม่สําคัญขอให้เราสํานึกผิด น, น, นี่เป็นสําคัญกว่าคําถามจะผู้รับฟังบนเข่าวค่ะ ถ้าเวลาเราทําบุญแล้วหรือนั่งสมาธิเสร็จจะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เป็นปัจจัยให้ถึงพรานิพานและขอให้มีความเพียรคําอธิษฐานจะช่วยให้มีความเพียรมากขึ้นไหมครับและควรจะสํารวจตนเองอย่างไรและควรทําอย่างไรเพื่อให้เราไม่หลงออกนอกทางพรานิพานครับกับขอบพระคุณครับก็ต้องอธิษฐานว่าเดี๋ยวอีกชั่วโมงจะขอทําต่อเนี่ย อ, อธิษฐานคือต้องมีกำหนดเวลาเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นอย่างนี้ก็มีผลที่จะพาให้เราใกล้นิพพานขึ้นแต่ถ้าเราขอเฉยๆแล้วเราก็ปฏิบัติเท่าเดิมมันก็ไม่คืบหน้ามันก็จะอยู่ที่เดิมถ้าอยากจะให้มันคืบหน้าก็ต้องขออธิษฐานขอทำเพิ่มขึ้นเคยนั่งชั่วโมงขอเพิ่มเป็นชั่วโมงครึ่งคราวหน้าขอนั่งชั่วโมงครึ่งคราวต่อไปขอนั่งสองชั่วโมง อะไรทำนองนี้มันถึงจะคืบหน้าคำถามจาะพูดรับฟังบนเขาค่ะปฏิบัติมาหลายปีค่ะช่วงสองสามปีหลังๆมีโอกาสไปเก็บอารมณ์ดูกายดูใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตเวลาออกมาทางโลกแล้วเห็นภิกษุหรือฟังธรรมจะมีน้ำตาไหลนั่งๆั่งอยู่คิดเรื่องธรรมก็ไหลค่ะไม่ได้เศร้าแล้วก็ไม่ได้ปิติ แต่จิตเศร้าหมองควรทําอย่างไรดีเจ้าค่ะไม่เศร้าแต่เศร้าหมองไม่เข้าใจความหมายคือคือไม่สุขมัง้งแต่ไม่เศร้าไม่ได้ไม่ได้เศร้าเจ้าะแต่ไม่ปิติเจ้าค่ะถ้า อ, อาจจะประทับใจมั้งถึงน้ําตาไหลไหลก็ปล่อยมันไหลไปเราก็พยายามรักษาใจเราให้สงบก็แล้วกัน เดี๋ยวคุณลุงอยากจะขอถามคำถาม น, น, นานๆจะม า, าทีต้องเปิดโอกาสให้ไฟเขียวก่อนนะเพราะเวลาใกล้จะหมดแล้วครับพระอาจารย์ครับผมอยากขอความรู้จากพระอาจารย์ในเรื่องการาฝึกปฏิบัติมองไตรลักษณ์ด้วยปัญญาเนี่ยคื อ, อฝึกอย่างไรแล้วก็ มองกายอย่างเดียวหรือจิตอย่างเดียวครับอาจารย์อ๋อมันแล้วแต่ว่าเราต้องการจะมองส่วนไหนให้เป็นอนิจจังเราก็มองส่วนนั้นคือมองทั้งกายและจิตได้ทั้งคู่ใช่ไหมครับมันเอาทีละตัวดีกว่าเอาทีละตัวครับเอาร่างกายก่อนพระเจ้าบอกให้กายแล้วเวทนาแล้วค่อยจิตครับตนแรกได้ดูร่างกายของเรากับของคนที่มีความผูกพันกับเราว่าไม่เที่ยง เดีวก็ต <ens> <ata> ้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันให้มองอยู่อย่างนี้เรื่อยๆอย่าให้ลืมแเรามักจะลืมพอลืมก็คิดว่าเราจะอยู่กันไปตลอดต้องพยายามพอมีความคิดว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆก็ต้องบอกไม่แน่นะใครจะไปก่อนใครจะไปหลังนี้ตีตั๋วจองกันไว้แล้วเพียงแต่รอรอเขาเรียกตัวเท่านั้นเองร่างกายของเราเป็นเหมือน สัตว์ที่เขาตีตราไว้นะรอวันที่เขาจะจับขึ้นเขียงครับคือมคหมายความว่าใช้สัญญาเนี่ยให้ใช้ความสังขารให้ให้ให้ให้ไปรู้ให้คิดอยู่เรื่อยๆคิดว่าร่างกายเดี๋ยวก็ต้องตายร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นดินน้ำลมไฟเป็นคนรับใช้เรามันจะไปก็ให้มันไปมันอยู่ก็ให้มันอยู่ ครับผมเข้าใจครับสาธุครั บ, รบปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนแล้วก็ไปปล่อยวางเวทนาคือความเจ็บปวดต่างๆมันมาก็ปล่อยมันมามันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่มันจะไปก็ให้มันไปแต่<ะ>อย่าไปผักใสมันอย่าไปอยากให้มันไปเพราะความอยากจะทำให้เครียดทำให้ทุกข์อเอาตัวรู้ไปจับว่ามันเป็นไตรลักษ์ไปเรื่อยๆอครับ มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับเองไม่ต้องไปทำอะไรมันเช็น ค, <He 's S 1> คนเราเกียดไม่ต้องไปฆ่าเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ตายเองครับตายเจ้าตรงนี้ <l acht> ครับ <l acht> สาธุครับผมกระจ่างแล้วครับพระอาจารย์ผมจะนำไปปฏิบัติต่อครับ <l acht> สา ธ, สาธุสาธุสาธุก็พอดีวันนี้หมดเวลาพอดี <l acht> ก็ขอให้ท่านจงนำเอาเสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพพจิารณา